พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกนี้เพราะใจเป็นสิ่งที่ให้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงก็คือรถของความสุขใจ ความสุขใจเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการทำใจให้สงบเกิดขึ้นจากการปล่อยวางความสุขอื่นๆทั้งหมดเพราะคว า, ความสุขทั้งหลายในโลกนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์ในรูปแบบของความสุข เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาที่ไปฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดจะต้องทุกไปจนวันตายเพราะว่าพอถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วก็ต้องถูกเขาจับลากขึ้นไปลงหม้อแกงต่อไปนั่นเองใจของพวกเรา ทุกกันก็เพราะเราไปฮุบเหยื่อไปฮุบความสุขที่มีความทุกซ่อนอยู่พอฮุบก็ไปแล้วพอความสุขที่ได้จางหายไปแล้วความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าก็เคยฮุบเหยื่อมาก่อนเคยเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของราชโอรสมีปร า, าสาทสามฤ ด, ดูมีข้าวของเงินทองให้ใช้สอยได้ตลอดเวลาแต่ก็ทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่นี้มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนวันใดวันหนึ่งก็อาจจะหมดไป หรือจากไปก็ได้ boundaries. แล้วสังขารร่างกายที่ใช้ในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะค่อยๆเสื่อมไปวันละเล็กวันละน้อยต่อไปก็จะต้องกลายเป็นคนแก่กลายเป็นคนเจ็บกลายเป็นคนตายไป ความสุขที่เคยได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความทุกข์ให้ทรมานให้ซึมเศร้าให้ว้าเหวต่อจิตใจหลังจากที่ทรงเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเป็นทุกข์ของลาบยศสัตเสริญ ของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพระองค์ก็เลยตัดสินใจว่าต้องไปหาความสุขทางใจดีกว่าไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบก็ต้องไปอยู่ที่เงียบๆไปอยู่ที่ห่างไกลจากเรื่องราววุ่นวายต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้ มันก็อดที่จะไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆไม่ได้เลยจำเป็นที่จะต้องไปปลีกวิวเวกไปอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่แหละในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงคน ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเป็นปลาเป็นเหยื่อก็ไม่มีไม่มีเบ็ดติดอยู่เป็นอาหารอันโอชะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่เป็นของเรา คือเป็นความสุขแบบนิจจังสุขขังอัตตาไม่เหมือนกับความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เป็นความสุขแบบอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้วันดีคืนดีมันก็จะจากเราไปได้พอมันจากเราไปความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นทันที แม้แต่เพลงแต่คิดถึงมันว่าจะต้องจากกันจะต้องสูญเสียความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วทั้งๆที่ยังไม่สูญเสียแต่ความจริงไม่ช้าก็เร็วทุกคนก็ต้องสูญเสียทุก ส, สิ่งทุกอย่างที่ได้มาไปเวลาตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไป เอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่ความสุขทางใจนี้จะไปกับใจตลอดเวลาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรความสุขใจที่ได้ปรากฏขึ้นมาในใจแล้วจะอยู่กับใจไปอย่างตลอดจะให้ความสุขเพียงอย่างเดียวจะไม่ให้ความทุกข์ กับใจเลยไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะที่จะคอยให้ความทุกข์อยู่เรื่อยๆให้ความหิวความอยากความไม่พออยู่เรื่อยๆ เ, เพราะนี่คือธรรมชาติของความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าอยากจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องเข้าหาความสุขของความสงบของใจจึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันด้วยการไปทาใจให้สงบ ด้วยการไปปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจให้จิตใจได้สัมผัสกับสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐคือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง ให้ได้สัมผัสกับนาิสันติบาลังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความสุขกันนี้ได้เอไม่จําเป็นจะต้องเป็นมหาเศรษฐีออ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเหมือนกับความสุขจากราบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกลิ่นนสดเนี่ยความสุขจากราบยศสรรเสริญนี่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตต้องร่มต้องรวยถึงจะเข้าถึงความสุขแบบนี้ได้แต่ความสุข ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ทุกคนสามารถเข้าได้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคาลว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนจนหรือเป็นคนรวยเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดคนเป็นเป็นคนเก่งหรือไม่เป็นคนเก่ง ทุกคนนี้สามารถที่จะเข้าถึงความสุขอันนี้ได้เพราะความสุขอันนี้มีอยู่ในใจของทุกๆคนนั่นเองมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ในใจของพวกเราทุกคนกเรากเรัมีของดีของวิเศษอยู่ในใจของพวกเราแต่พวกเรากลับไม่รู้กันคำว่าไม่รู้นี่ก็เรียกว่าอาวิชชา วิชาความไม่รู้ว่าเรามีของวิเศษมีของดีอยู่ในตัวของเราเองเราก็เลยไปคิดว่าของดีของวิเศษอยู่ที่ลาบยศสารเสรินอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสนี่เองจิตใจของพวกเราก็เลยปรุงแต่งไปหาลาบยศสารเสรญสุขกันคิดแต่จะค ำ, คำว่าปรุงแต่งก็คิดเนี่ยความคิด เราคิดถึงเรื่องอะไรหาเงินเงินใช่ไหมหายศหาตำแหน่งหารางวัลหาความสุขจากการดูการฟังการกินการดืม่มหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเพราะความไม่รู้ความจริงว่าเรามีของที่ดีที่วิเศษกว่าความสุขของลาบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเอง นานๆจะมีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุปความจริงอันนี้เรื่อว่าเรามีความสุขที่เลิศที่วิเศษที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนศาสนาพุทธจึงไม่มีแยกชาติชนวนนะ่ะ เพราะใจนี่เป็นใจเหมือนกันทุกชาติชานวันนะเป็นหญิงเป็นชายเป็นประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามประเภทสี่ก็มีเป็นใจเหมือนกันเป็นแขกเป็นฝรั่งเป็นจีนเป็นไทยก็เป็นใจเหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้คิดเพียงแต่ว่าเป็นผู้รู้ที่หลงผู้รู้ที่ไม่รู้ความจริง ว่าตนเองมีของวิเศษมีทรัพย์อันมหาศาลอยู่ในตัวของตัวเองความหลงความไม่รู้นี่จึงพาให้ไปหาทรัพย์ที่ไม่มีคุณค่าเหมือนกับทรัพย์ที่มีอยู่ในตนเองพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนไก่ได้พล่อยพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนไก่ได้พลอยกัน มีเพชมีพลออยู่ในตัวไม่เอาไม่หากันเจ้าไปหาตัวหนอนตัวไส้เดือนมากินกันพอหนอนไส้เดือนมันมีรสหวานกินตัวหนอนกินตัวไส้เดือนมันหวานแต่มันต้องหาอยู่เรื่อ ย, อยต้องหาไปจนวันตายเพราะว่ามันไม่ให้ความอิ่มความพอจะต้องคอยหาไปตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ เพื่อมาหาใหม่แต่ถ้าเราได้ทรัพย์ภายในทรัพย์ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะทรัพย์ภายในนี้จะให้ความอิ่มความพอตลอดเวลานี่แหละเป็นคาว่าอาวิชชาอาวิชชาก็คือความไม่รู้ความจริงของเรา โมหะก็คือความหลงความหลงที่พอมีอวิชชาไม่รู้ว่าเรามีความเรามีสิ่งวิเศษอยู่ในตัวเราความหลงมันก็เลยเกิดขึ้นทำให้เราคิดว่าสิ่งที่วิเศษอยู่นอกตัวเรากันพวกเราทุกคนก็เลยออกไปหาสิ่งที่อยู่นอกใจของพวกเรา ไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดที่จำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายก็เป็นของที่ไม่ถาวรเกิดมาแล้วต่อไปก็ต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตาย พอเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายการจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็หมดสิ้นไปใจก็จะมีแต่ความเศร้าความเหงาความว้าเหวคนบางคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็คิดฆ่าตัวตายนแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา เพราะว่าร่างกายไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของปัญหาคือใจที่มีอวิชชานี้ที่ที่ไม่รู้ความจริงและที่ยังหลงอยู่พอค่าร่างกายตายไปใจก็แยกออกจากร่างกายไปชั่วคราวแล้วก็ต้องไปรับผลบาปที่เกิดจากการฆ่าตัวตาย แล้วพอพ้นออกจากอบายพ้นจากนรกใจที่ยังมีความหลงที่ยังต้องการหาความสุขอยู่ก็จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอันใหม่ต่อไปก็จะไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหายตหาตำแหน่งหาการสรรเสริญเยินยอยกย่อง หารางวันต่างๆหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจนไปถึงวันแก่วันเจ็บหรือวันจะตายก็จะมาฆ่าตัวตายใหม่ถ้าเคยแก้ปัญหาแบบใดพอเจอปัญหาแบบเดิมก็จะแก้ปัญหาแบบเดิมจนกว่าจะโชคดีไปเจอคนที่เขารู้ว่า วิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ปัญหาก็อาจจะเลิกฆ่าตัวตายได้แต่ก็อยู่ที่คนที่สอนว่าเขารู้มากหรือรู้น้อยถ้าเขารู้เพียงว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแต่เป็นการทำให้ใจนี้ทุกข์มากขึ้น พระเวลาฆ่าตัวตายนี่ใจจะต้องทุกข์มากแล้วความทุกข์ที่เกิดจากฆ่าฆ่าตัวตายก็จะเป็นตัวที่ดึงให้ใจไปตกนรกนั่นเองเขาอาจจะรู้เพียงว่ า, าทำบาปแล้วไปนรกไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปนรกเขาก็จะช่วยได้เพียงแต่แก้ปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตายได้แต่ ถ้าเขายังไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่มีอยู่ในภายในใจของตนเองก็ใจก็ยังจะต้องคิดไปหาความสุขจากดาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆจนกว่าที่จะได้มาพบกับคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าหรือภาษาวกของพระพุทธเจ้า ที่รู้ความจริงว่าใจของพวกเราทุกคนนี่เป็นใจที่มีของวิเศษมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะสอนให้พวกเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันให้เลิกหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วให้เข้ามาหาความสุขจากการ ทำใจให้สงบให้มาหัดปฏิบัติจิตตะภาวนามาสร้างส ม, มถะภาวนาและวิปัจจนาภาวนาที่เป็นเหมือนกับเครื่องมือหรือโรงงานผลิตความสุขของใจถ้าไม่มีการบำเพ็ญจิตตะภาวนาไม่มีการเจริญสมถะภาวนา วิปัสสนาภาวนาความสุขของใจนี้จะไม่เกิดขึ้นมาตอนนี้ใจถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนที่ดินว่างเปล่าการที่จะทำให้ที่ดินว่างเปล่านี้มีคุณค่าขึ้นมาก็ต้องมีการพัฒนามีการปลูกสร้างอาคารต่างๆปลูกสร้างคอนโดปลูกสร้าง ศูนย์การค้าโรงแรมอะไรต่างๆต้องมีการปลูกสร้างถึงยอเพิ่มพูนคุณค่าของที่ดินที่มีอยู่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆก็อาจจะเป็นที่ทิ้งขยะของชาวบ้านก็ได้ถ้าไม่คอยดูแลรักษาใจปล่อยให้ใจหลงไปกับการหาราบยศสารเสริญ ไปหารูปเสียงกิล่ลรนก็เหมือนปล่อยวางที่ดินอันมีค่านี้ให้ชาวบ้านเขาเอาขยะมาทิ้งหรือให้ชาวบ้านเขามาบุกรุกมาทำประโยชน์จากที่ดินของเราเพราะเรามั่แต่ไปหาลาบยศสารเสริญไปหารูปเสียงกินล้นเราก็เลยปล่อยให้กิเลสตันหาที่เป็นชาวบ้านของเราเนี่ยมา ทำลายที่ดินของเรามาแสวงหาประโยชน์จากที่ดินของเราจากใจของเราแล้วก็มาสร้างความทุกข์ให้กับเราที่เป็นเจ้าของที่ดินดังนั้นเราต้องมารีบพัฒนาที่ดินอันนี้อย่าปล่อยทิ้งให้ว่างมาวางแผนว่าจะปลูกอะไรดีปลูกโรงแรมดีหรือปลูกคอนโดดีปลูกศูนย์การค้าดีเห็นม คนที่เขารู้จักพัฒนาที่ดินนี่มีข่าวว่าจะสร้างตึกสูงที่สุดในประเทศไทยใช่ก็สร้างที่ตรงไหนนะก็ต้องสร้างที่ดินที่มันว่างเปล่านี่แหละต้องมีที่ดินถึงจะสามารถที่จะสร้างอะไรขึ้นมาได้ใจของเราก็เหมือนกันใจของเรานี่สามารถสร้างความสุขระดับต่างๆได้ถ้าเรา รู้จักวิธีพัฒนาใจของพวกเราให้มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆขึ้นมาจะสร้างโรงแรมจะสร้างศูนย์การค้าจะสร้างอาคารสูงสูงสู ง, สงเป็นตึกเลิกสูงระฟ้ามีความสูงที่สุดในโลกก็สามารถทำได้ ใจของเรานี้เป็นเหมือนที่ดินที่เราสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดคุณค่าที่จะทำให้เราสามารถเอาคุณค่าของที่ดินนี้มาให้ความสุขกับเราได้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระสาวกของพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระพุทธเจ้า พระพุธเจ้าก็จะสอนให้พวกเรามาสร้างมาพัฒนาที่ดินคือพัฒนาใจของพวกเรากันการพัฒนาใจก็ต้องเป็นไปเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับการพัฒนาที่ดินดเบื้องต้นก็ต้องล้อมรั้วก่อนที่ดินของเราการไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกการไม่ให้เขาเอาขยะมาทิ้ง การที่เราจะป้องกันที่เินของเราไม่ให้เสื่อมเสียไม่ให้เป็นกองขยะเราก็ต้องสร้างรัว้วรั้วที่จะป้องกันใจของเราไม่ให้กลายเป็นกองขยะก็คือศีลนี่เองเราต้องมารักษาศีลกันก่อนมาถือศีลห้ากันเพื่อป้องกันไม่ให้ อ, อ, อบายมันเข้ามาลุกลามจิตใจของพวกเรา อาบายคืออะไรก็คือการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานการไปเป็นเปรตการไปเป็นอสุรกายการไปตกนรกนี่เองเกิดจากการที่เราไม่ร้อมรู้ที่ดินของเราปล่อยให้เปรตผีมันบุกลุกเข้ามาในใจของพวกเราปล่อยให้สัตว์เดรัจฉานมันบุกลุกเข้ามาในใจของพวกเราพระพุทธเจ้าเลยบอกว่า ต้องละการกระทำบาปทั้งปวงก่อนในเบื้องต้นของการพัฒนาจิตใจต้องร้อมรู้จิตใจป้องกันไม่ให้เดรัจฉานไม่ให้เปรตไม่ให้าสุรกายไม่ให้นรกเข้ามาครอบครองที่ดินของพวกเราคือจิตใจของพวกเราด้วยการไม่กระทำบาปที่มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ สมไม่ประพฤติผิดประเวณีสี่ไม่พูดปดห้าไม่ดื่มสุรายาเมาและเพื่อนของสุราก็คืออบายามุกอื่นๆเช <c oughs> ่นเล่นการพนันเที่ยวเต่เกียดติครา้นและคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรเนี่ยนี่คือเป็นการล้อมรั้ว ป้องกันภัยป้องกันบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาเข้ามาแสวงประโยชน์จากจิตใจของพวกเราถ้าเรามีศีลเราก็เท่ากับมีรั้วล้อมรอบที่ดินของเราคนจะเข้ามาบุกลุกก็เข้ามาไม่ได้เพราะมีรั้วแล้วก็มีป้ายบอกะห้ามบุกรุกผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับจําคุกะ พอคนเห็นป้ายเห็นรั้วว่าเป็นที่ห่วงห้ามเขาก็ไม่กล้าเข้ามาพอเรามีศีลเราไม่เสพอบายามุกพวกเดรัานก็เข้ามาในใจเราไม่ได้พวกเบสพวกอสู ร, รกายพวกนรกก็จะเข้ามาในใจของพวกเราไม่ได้นี่คือขั้นที่หนึ่งของการพัฒนาจิตใจของเรา โดยการล้อมรอบจิตใจของเราด้วยศีลธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจเรากลายเป็นที่ดินที่ไร้คุณค่าเป็นเป็นเหมือนกองขยะเป็นเหมือนสลัมเนี่ยพอเราป้องกัน ร, ร้อมรั้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มวางศิลาเลิกก็นสิเราอยากจะสร้างอาคารอะไรเราก็มาวางศิลาเลิกก่อนอาคารที่ง่าย ในลาดับที่สองที่จะทำให้ใจของเรามีคุณค่าก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นต่างๆเกิดจากอะไรก็เกิดจากการทำบุญด้วยวิธีต่างๆนี่เองพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงสอนเหมือนกันเบื้องต้นสอนให้ป้องกันที่ดินของเราไม่ให้ถูกบุกรุกด้วยการละา ก, การกระทำบาป ท, ทั้งปวง แล้วพอเราป้องกันไม่ให้ใครเข้าบังบุกรุกได้แล้วเราก็จะได้มาพัฒนาที่ดินของเราคือใจของเราด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมนี่คือขั้นที่สองของการพัฒนาจิตใจของเราถ้าเป็นที่ดินก็ตอนต้นเริ่มต้นอาจจะมีทรัพย์น้อยก็สร้างโรงแรมขนาดเล็กก่อนต่อไปท่า กิจการค้าขายดีขึ้นมีรายได้มีกำไรก็อาจจะสร้างโรงแรมใหญ่มีทั้งศูนย์การค้ามีทั้งอาคารพาณิชย์มีทั้งออฟฟิศต่างๆอยู่ในอยู่ในที่เดียวกันได้อาศัยกำลังทรัพย์ที่เราได้จากการพัฒนาที่ดินในขั้นที่หนึ่งก่อนจิตใจของพวกเราก็เหมือนกัน ในเบื้องต้นจะพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่มีทรัพย์ที่มหาศาลนี้ก็ยังทำไม่ได้เพราะกำลังยังมีไม่พอก็เลยต้องเอาตามกำลังก่อนเบื้องต้นก็มีกำลังล้อมรั้วล้อมรัวล้อมที่ไว้พอมีกำลังล้อมรั้วล้อมที่แล้วขั้นต่อไปก็มีกำลังที่จะสร้างอาคาร ระดับเล็กก่อนคือสร้างสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนสวรรค์ที่เกิดขึ้นในใจก็เกิดจากการที่เราทำบุญตามกำลังของเรานั่นเองเรามีน้อยเราก็ทำน้อยไปก่อนพอเรามีมากเราก็ทำมากขึ้นไปเราก็จะพัฒนาสวรรค์ที่มีอยู่ทั้งหมดหกชั้นด้วยกันจากชั้นที่หนึ่งก็ พัฒนาไปสู่ชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าด้วยการทำบุญเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังของเราบุญก็คือการเสียสละแบ่งปันการแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ ที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยมันมาคอยเลี้ยงดูเราเก็บไว้เฉยๆก็ไม่มีคุณประโยชน์ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาเงินส่วนนี้มาพัฒนาจิตใจมาสร้างสวรรค์ให้กับจิตใจตอนต้นก็มีน้อยก็ทำน้อยพอทำแล้วเห็นผลจากการกระทำ ว่าทำให้เกิดมีความสุขใจสบายใจก็อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปก็จะเพิ่มการทำบุญไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะทำได้อย่างเต็มร้อยแล้วก็จะเริ่มเห็นว่านอกจากความสุขที่ได้จากการทำบุญแล้วนี่ยังมีความสุขที่เหนือกว่า การทําบุญอีกระดับหนึ่งคือความสุขจากการมาบําเพ็ญจิตตภาวนามาเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าความสุขที่ได้จากการทําบุญทาาําทานการพัฒนาจิตใจก็จะเป็นไปตามเป็นขั้นเป็นตอน พอเราทําบุญไปเรื่อยๆมีความสุขใจจากการทําบุญแล้วพอเราได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ายังมีความสุขอยู่เหนือกว่านี้อีกอยู่อีกสองระดับด้วยกันความสุขที่เกิดจากการภาวนาคือสมถะภาวนาก็จะได้ความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของ ของเทวดาของมนุษย์เราก็อยากจะทดลองดูกันความสุขที่เราจะได้จากการบำเพ็ญสมถภาวานานี้ก็ต้องมีมีเครื่องสนับสนุนเครื่องมือที่จะสนับสนุนการบำเพ็ญสมถภาวานาก็คือการรักษาศีลแปดขึ้นไปนั่นเองรักษาศีลแปดรักษาศีลสิบ รักษาศีลสองรยอยีเจ็ดนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่จะเปิดทางให้เราได้ไปภาวนากันเพราะถ้าเราไม่รักษาศีลแปดหรือสิบหรือสองรอยยีบเจ็ดนี่ยทางที่จะไปภาวนามันก็จะถูกกั้นไว้ถูกอะไรกั้นไว้ก็ถูกการหาความสุขทางตาหูจมูกจิกายกั้นไว้นั่นเองเพราะถ้า ตอนที่เราทำบุญตอนที่เรารักษาศีลเราเพียงแต่รักษาศีลห้าข้อเท่านั้นเองศีลห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเราอยากจะกินอาหารกินนึ่งเครื่องดื่มวันละกี่ครั้งเราก็ยังทาได้เราอยากจะดูหนังดูละครฟังเพลงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราก็ยังทำได้อยู่ ถ้าเราไปทำไปหาความสุขจากการกระทำเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติสมถะภาวนาไปทำใจให้สงบดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะไปทำใจให้สงบเราก็ต้องเปิดทางสู่การไปสู่การปฏิบัติของการทำใจให้สงบ ด้วยการยุติการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้ไกายด้วยการมาสมาทานถือศีลแปดกันพอถือศีล8ปศีลข้อสามก็เปลี่ยนเป็นกะจากกาเมก็มาเป็นอรั ม, มัจริยากาเมนี่อนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่พอมาถืออบร ม, มัจจริยาแล้วห้าม หามไม่ให้นอนร่วมกันแยกข้องกันแยกเตียงกันเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปนอนนี้มานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันแล้วการรับประทานการดื่มก็ให้เอาพอประมาณพอเลี้ยงร่างกายได้ก็พอไม่องั้นเดี๋ยวใจก็จะหมกมุ่นอยู่กับการกินการดืม่มจะไม่มีกระจิตกับใจที่จะมานั่งสมาธิกัน ก็เลยต้องมีขอบเขตให้ดื่มให้รับประทานได้ไม่เกินเที่ยงวันซึ่งพอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายหลังจากนั้นจะได้เอาเวลาหลังเที่ยงวันไปแล้วมาหัดนั่งสมาธิกันมาไหว้พระสวดมนต์กันมาเดินจงกรมมาเจริญสติกันนี่คือเครื่องมือที่จะเปิดทางให้ กับการบำเพ็ญจิตตภาวนาผู้ที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนานี่ยจำเป็นที่จะต้องถือศีลแปดข้อที่เจ็ดก็ไม่ให้เราหาความสุขจากมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปตามงานเลี้ยงต่างๆตัดหมดปิดกิจ ให้แยกให้เปลี่ยนที่ไปให้ไปอยู่ที่เงียบเงียบที่เงียบเงียบส่วนใหญ่ก็เป็นวัดกันวัดที่ปฏิบัติจะเป็นวัดที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการปฏิบัติเพราะนอกจากเป็นที่เงียบที่สงบแล้วยังมีผู้คอยสั่งคอยสอนคอยแนะนำวิธีปฏิบัติสมัยนี้นอกจากวัดแล้วก็มีสำนักที่สอนวิธีปฏิบัติ ทำนักปฏิบัติวิปัสสนาะนต่างซึ่งมีทั้งพระมีทั้งญาติโยมเพราะญาติโยมก็หลังจากที่เรียนรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็สามารถมาสอนให้ปฏิบัติได้อย่างน้อยก็ในเบื้องต้นในเบื้องต้นนี้ใครๆสอนได้เหมือนกันสอนเรื่องถือศีลแปดสอนเรื่องเดินจงกรมเจริญสตินี่นั่งสมาธินี่ใครๆก็สอนได้ พราะมันไม่เช่นมันไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับอะไรมากมายทีนี้จะสอนได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ตนคนสอนว่าคนสอนนี่ปฏิบัติได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าได้ผลคนก็อาจจะมีศรัทธามีความเชื่อมากแต่คนสอนที่ไม่ได้ผลและไม่ได้ปฏิบัติบ่บอย คนก็อาจจะไม่ค่อยศรัท ธ, ธาก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของคนสอนแต่ในเบื้องต้นผู้ที่ยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติจิตทำใจให้สงบต้องมีผู้รู้จักวิธีสอนถ้าไม่เะนนั้นแล้วเดี๋ยวจะหลงทางได้ที่มีข่าวว่าไปปฏิบัติแล้วเป็นบ้ากันเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่มีคนสอน เวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกเวลานั่งสมาธิแทนที่จะนั่งเพื่อควบคุมจิตด้วยสติก็ปล่อยให้จิตนั่งบงแต่งอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกจิตบงแต่งมีนูน่นมีนี่มีภาพร้อนมีเสียงมีอะไรแล้วจิตที่ไม่รู้เรื่องก็ไปเหมาเอาว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรกันขึ้นมา อันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดของผู้ปฏิบัติที่เวลานั่งแล้วปล่อยให้จิตผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ขึ้นมานั้นเป็นของปลอมทั้งนั้นเป็นเงาเป็นมายาเพราะไม่มีครูสอนไม่มีผู้ที่รู้ความจริงมาสอนนั่นเองนี่ที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้ากันก็ปฏิบัติอย่างนี้ ดังนั้นผู้ปฏิบัตินี้จําเป็นที่จะต้องมีผู้รู้ผู้สอนที่ถูกต้องรู้ว่าวิธีปฏิบัตินี้ปฏิบัติอย่างไรและผลของการปฏิบัตินี้เป็นอย่างไรถ้าถ้าไม่มีผู้รู้ผู้สอนเวลานั่งไปมันจะมีผลอะไรปรากฏขึ้นมาแปลกๆมากมายแล้วย่อดจะหลอกให้ผู้ปฏิบัติคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี้ขึ้นมา นองคอนก็คิดว่าบรรลุเนี่ยมีขนาดมีครูบาอาจารย์สอนแล้วแต่เวลาปฏิบัติจริงๆก็ลืมคำสอนของครูบาอาจารย์ก็มีปฏิบัติแล้วก็ไปคิดว่าบรรลุเป็นพราะอารหรันต์นะขอกลับบ้านไปสอนคนอื่นแล้วขอกลับไปได้ไม่กี่เดือนตอนนี้ขอกลับมาอยู่ใหม่อีกแล้วพาาระาา อ, า ร, าอรหันต์หายไปใช่แล้ว กิเลสตัณหาโผลกลับขึ้นมาใหม่อีกแล้วอันนี้เป็นพวกปฏิบัติโดยที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์คอยสอนคอยเตือนหรือคอยทดสอบจิตใจผู้ปฏิบัตินี้ต้องมีครูอาจารย์ที่จะคอยทดสอบคอยสอบคอยถามคอยอให้ข้อสอบดูว่าบรรลุจริงหรือไม่ เวลาโดนครูบาอาจารย์ด่าขึ้นมายังโกรธหรือเปล่าถ้าโกรธก็แสดงว่าบรรลุไม่จริงแล้วเพราะผูบ้บรรลุจริงเขาไม่มีความโกรธเขาไม่มีความโลภเขาไม่มีความหลงดังนั้นเวลาปฏิบัติจิตตภาวนาจึงจำเป็นที่จะต้องไปหาสถานที่ที่มีการฝึกมีการสอนเป็นสถานที่สงบ ที่ห่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆถ้าไปถือศีลแปดที่บ้านไปปฏิบัติที่บ้านนี่ยากนอกจากว่าถ้าเรามีบ้านเราอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครนี่ก็ยังพอที่จะถูถยไปได้แต่ถ้าต้องไปอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวเขากินข้าวเย็นเราก็อดอยากกินกับเขาไม่ได้เขาเปิดดูทีวีดูละครเราก็จะ อที่อยากจะดูละครกับเขาไม่ได้ <c oughs> มันก็จะทําให้การปฏิบัติล้มเหลวแทนที่จะไปนั่งสมาธิก็ไปนั่งดูละครไปนั่งกินข้าวเย็นเวลากินข้าวเย็นเสร็จก็ง่วงอยากจะนอนมากกว่าอยากจะนั่งสมาธินี่คือการปฏิบัติจิตตภาวนาจําเป็นต้องรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างถึงจะ ปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เบื้องต้นก็ต้องมีการห้ามใจไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยการทำสมาทานศีนแปดการถือสีนี้เราก็เลือกถือได้ไม่จาเป็นจะต้องถือทุกวันทุกคืน ถ้าเราสะดวกวันไหนเราอยากจะปฏิบัติวันไหนเราก็ถือศีลวันนั้นไปเช่นวันไหนเวลาว่างเราอยากจะมาลองฝึกปฏิบัติจิจตภาวนาลองนั่งสมาธิลองสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงวันนั้นเราก็อาจจะสมาทานศีลแปดไปอยู่ที่สงบ ถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีก็อาจจะไปอยู่กับพวกที่เขามีการฝึกการสอนก่อนนบางสำนักเขาจะมีหลักสูตรสามวันห้าวันเจ็ดวันให้ไปอยู่แล้วเขาจะได้พาปฏิบัติเพราะถ้าเรายังไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรถ้าปล่อยให้อยู่คนเดียวเฉยๆเดี๋ยวก็อดที่จะคว้ามือถือขึ้นมาดูไม่ได้มาฟังไม่ได้แต่ถ้ามี มีมีผู้ควบคุมเขาจะมีตารางเขาจะบังคับว่าเวลานี้ให้ทำอย่างนั้นเวลานั้นให้ทำอย่างนี้เราก็จะได้มีการปฏิบัติได้ถ้ายังปฏิบัติเองไม่เป็นนี่ต้องมีต้องเกาะกลุ่มต้องมีครูมีอาจารย์นำพาปฏิบัติไปก่อนจนกว่าเราจะรู้วิธีปฏิบัติแล้วสามารถไปปฏิบัติด้วยตนเองได้ เราก็ต้องแยกตัวออกไปเพราะว่ามันเป็นเหมือนขึ้นชั้นเรียนนั่นเองเบื้องต้นก็เหมือนกับไปเข้าโรงเรียนอนุบาลก่อนไปอยู่กับกลุ่มที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็มีครูคอยมาบอกเวลา น, นี้นอนนะเวลา น, นี้กินนะเวลา น, นี้มาดูหนังสือมาหัดต้องกอไก่ขอไข่เวลา น, นี้เล่นมีเวลาแบ่งให้ทามีคนคอยนา ถ้าไม่มีคนนำเดี๋ยวก็เล่นกันอย่างเดียวก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรชั้นใดในเบื้องต้นก็ต้องไปอยู่ชั้นอนุบาลก่อนสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติไปเข้าคอร์สเนี่ยเามีคอร์สสามวันห้าวันเจ็ดวันที่เราสามารถไปได้ตามวัดก็มีตามสำนักแม่ชีก็มีตามสำนักคารวาสก็มีเลือกไปได้ พอเราไปแล้วเราเริ่มรู้วิธีที่จะปฏิบัติว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วขั้นต่อไปเราก็แยกตัวไปได้เพราะว่าปฏิบัติเป็นกลุ่มมันก็ได้ไม่มากเพราะว่ามันต้องไปพร้อมๆกันทำอะไรพร้อมๆกันพวกที่ทำเก่งแล้วก็ถ้ายังอยู่กับพวกที่ทำไม่เก่งก็จะทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้น ถ้าอยากจะทำมากกว่านั้นทีนี้ก็ต้องแยกไปอยู่เพื่อที่จะได้ทำได้มากขึ้นทำได้นานขึ้นเดินจงกรมตอนต้นอาจเช้าอาจจะให้เดินแค่1ิบนาทีนั่งสิบนาทีแต่พอเราปฏิบัติไปแล้วเราเริ่มมีกำลังเราเห็นคุณค่าของการเดินจงกรมของการนั่งสมาธิว่ายิ่งเดินมากยิ่งนั่งมากยิ่งได้ความสงบมากมันก็ยากทาก อยากจะทำให้มากขึ้นถ้าเราอยากจะทำมากขึ้นเราไปอยู่กับกลุ่มที่เขาทำมากไม่ได้ก็ทำไม่ได้พอถึงเวลาเราก็จะรู้เองว่าตอนนี้เราต้องเลื่อนขึ้นชั้นป .1 ป .2 แล้วอยู่ในกลุ่มของอนุชั้นอนุบาลไม่ได้แล้วก็มีการพัฒนาตามลําดับจากการไปเกาะกลุ่มกัน ตามวัดต่างๆเขาก็จะมีให้เกาะกลุ่มเช้าให้ลงโบสเย็นให้ลงโบสถถ้ายังปฏิบัติเองไม่เป็นก็ไปหัดไหว้พระสวดมนต์ก่อนออการสวดมนต์ก็เป็นวิธีฝึกสติควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราววุ่นวายต่างๆอพอสวดมนต์เสร็จก็ใจก็พร้อมที่จะนั่งสมาธิต่อได้ ก็ให้นั่งดูลมหายใจไปพุทโธไปจนกว่าจะหมดเวลาเบื้องต้นตับไปปฏิบัติเป็นกลุ่มเขาก็จะมีเวลาสั้นๆเพราะคนบางคนสมาธิยังไม่มากให้นั่งนานๆแล้วเดี๋ยวอึดอัดนั่งแล้วเดี๋ยวก็ขยับแข้งขยับขาก็จะไปรบกวนคนที่เขานั่งได้นานเขาก็เลยมีเวลาสั้นๆอย่างวัดยา น, นี้ก็ส0สินาทีมั้งยี่สบสสินาที บองตอนก็นให้สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปสักครึ่งชั่วโมงกล่อมใจให้เย็นให้สบายก่อนหลังจากนั้นก็ให้นั่งต่ออีกสามสิบนาทีหลงัลงจากนั้นก็เลิกถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องกลับไปนั่งที่ไปปฏินั่งที่ที่พักของตนต่อไปแต่สำหรับพวกที่เขาอยากจะปฏิบัติตามลำพังเขาก็อาจจะไปหาสถานที่ หาสำนักที่เขาจะให้อยู่ตามลำพังไม่ให้มาเจอกันให้เจอกันเฉพาะเวลาที่จำเป็นเวลามารับประทานอาหารหรือเวลามาช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดอะไรต่างๆแต่พอเสร็จภารกิจแล้วเขาก็จะปล่อยให้กลับไปอยู่ตามที่ภักของตนเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ตามกำลังของตน บางคนชอบเดินจงกรมอาจจะเดินเป็นชั่วโมงก็มีบางคนชอบนั่งก็อาจจะนั่งเป็นชั่วโมงก็มีถ้าปฏิบัติคนเดียวนี่มันไม่ต้องไปกังวลกับคนอื่นไม่ต้องไปทำอะไรพร้อมๆกับคนอื่นทาตามทำตามความเหมาะสมทําตามความถนัดของเราเราชอบเดินมากกว่านั่งเราก็เดินมากกว่านั่ง เราชอบนั่งมากกว่าเดินเราก็นั่งมากกว่าเดินได้อันนี้คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่เราต้องศึกษากันก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกันอันนี้เป็นเรื่องของภายนอกเวลาปฏิบัติจริงๆเราต้องทำอะไรกันบ้างการปฏิบัติขั้ น, น, นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนา คือการทำใจให้สงบให้นิ่งใจนี้เป็นเหมือนรถยนต์การที่เราจะทำให้รถยนต์นิ่งมันสงบมันนิ่งต้องทำไงเราก็ต้องถอนคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกพอถอนคันเร่งเหยียบเบรกรถมันก็หยุดนิ่งได้จันใดใจของเราถ้าเราต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบเราก็ต้องถอนคันเร่งคคอหยุดความคิดลดความคิดลงอย่าคิด แล้วก็คอยเหยียบเบรกเบรกก็คือสติที่เราจะต้องใช้การเหยียบเบรกด้วยการนำนึกถึงกรรมฐานองค์ใดองค์หนึ่งกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะเป็นเบรกมาหยุดความคิดของเรวใช่เราเราเลิกถึงพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆความคิดจะคิดถึงคนนั่นคนนี้คิดถึงสิ่งนั่นสิ่งนี้ คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะถูกลดลงไปเพราะเวลาเราพุโทโธเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าเราไม่พุโทโธล้ะเรากลับไปกลับมาในเบื้องต้นอาจจะเป็นอย่างนี้ก่อนเพราะกำลังของสติที่จะเดืองใจให้อยู่กับพุโทโธนี้มันยังมีไม่มากพุโทโธได้วับหนึ่งเดี๋ยวไปคิดเรื่องนั้นนะคิดถึงเรื่องนี้แล้วเครื่องที่มันยังค้างคาใจอยู่นี่มัน มันกำจัดยากอะไรที่มันคาใจอยู่นี่มันจะกลับไปหาอยู่เรื่อยๆแต่เราก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามพยายามบังคับว่าเราต้องอยู่กับพุทธโธนะถ้าอยู่กับพุทธโธไม่ได้ชอบสวดมนต์ก็ให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปก่อนก็ได้บางคนก็สวดอิติปิโสไปร้อยจบเลยถ้าทำได้นี่เรื่องข้างคาข้าขงคาใจต่างๆมันจะค่อยๆจางหายไป แล้วจะลืมไปเวลาที่เราสวดแต่พอเราหยุดสวดมันอาจจะฟื้นกลับคืนมาอีกก็ได้ถ้ามันฟื้นมาอีกเราก็สวดอีกอย่าปล่อยให้มันกลับมากลับมาเพราะเหมือนไฟเนี่ยพอมันพอเราเอาน้าไปดับมันพอมันพอมันทำท่าจะดับแล้วเราหยุดรดน้ำเดี๋ยวถ้าเกิดมันลุกขึ้นมาใหม่เราก็ต้องเทน้ำลงไปใหม่อย่าปล่อยให้มันลุกขึ้นมา เทไปจนกระทั่งไฟมันดับเลยเนี่ยความคิดของเรานี่เราห้ามมันได้ห้ามได้ด้วยการใช้ความคิดอีกแบบหนึ่งมาห้ามมันความคิดที่เกิดจากการนึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธก็ได้หรือความคิดที่เกิดจากการลึกถึงบทสวดมนต์ต่างๆก็ได้สวดมนต์ไปอิติปิโสผักกวา่อาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนเนี่ย สวดไปพอครบหนึ่งจบก็เริ่มจบที่สองจบที่สองเสร็จก็เอาจบที่สามนะเอาสวดไปเรื่อยๆต้องต้องสวดเยอะๆอย่าไปคิดว่าเอาสองสามครั้งแล้วความคิดมันจะหายไปมันไม่หายนะเหมือนไฟที่มันกองใหญ่นี่เอาน้ำไปเทขันสองขันมันไม่ดับหรอกนะต้องเอาน้ำดับเพลิงเอารถ ด, ดับเพลิงมาฉีดนั่นแหะนะมันถึงจะดับนะ แล้วนับเพิ่งนี้เขาก็ฉีดไปจนกว่าไฟมันจะดับนะถ้าไฟยังไม่ดับเขาบอกเขาจะไม่หยุดฉีดไม่ใช่มาฉีดสองสามทีขอกลับบ้านแล้วไม่ได้หรอกอันนี้ก็เหมือนกันเวลาสวดมวนต์นี่สวดได้รอบหนึ่งจบแล้วพอแล้วขอนอนแล้วขอไปทําอย่างอื่นแล้วมันก็เลยไม่เคยเจอความสงบสักทีแต่อยากเจอความสงบต้องสวดไปเรื่อยๆจนกว่าความคิดมันไม่กล้าคิดมันไม่ออกมันไม่คิดออกมาเรื่องราวต่างๆที่เคย ทำให้เราวุ่นวายใจมันหายไปตอนนั้นเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของการเจริญสติด้วยการสวดมนต์ว่าโอ้ยมันช่วยเราได้นะความทุกข์ร้อนใจต่างๆเนี่ยที่มันเหมือนไฟเผาเราเนี่ยพอเราเอาน้าสวดมนต์ไปฉีดมันเข้าเนี่ยบทสวดมนต์นี้เป็นเหมือนน้ำทิพย์เนี่ยส ว, สวดไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวความทุกข์ร้อนใจมันจะหายไป ถึงแม้ว่ามันจะหายแบบชั่วคราวมันก็ยังดีกว่าไม่ไม่หายเลยเพราะการสวดนี้มันก็ระ ง, งับความคิดได้ชั่วคราวมันยังไม่สามารถระ ง, งับความคิดที่สร้างความทุกข์ให้กับเราได้อย่างถาวร อ, อันนั้นต้องไปอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าขั้นวิปัสสนาถึงจะสามารถที่จะทำให้ความคิดที่มาทำให้เราทุกข์ให้วุ่นวายใจนี้ไม่กลับมาได้อีกเลย แต่เบื้องต้นนี้เราต้องฝึกใช้วิธีดับไฟด้วยสติไปก่อนเพราะปัญญานี้เป็นขันข้นที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากและต้องใช้ความฉลาดพอสมควรถึงจะสามารถเอาปัญญานี้มาหยุดความคิดไม่ดีที่มาท่างความทุกข์ต่างๆให้กับเราได้เนี่งนั้นเบื้องต้นวิธีง่ายก็คือสวดมนต์ไปท่องพุโทโธไป แล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ในท่านั่งอย่างเดียวท่านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินสวดต่อได้ถ้าเราสวดภายในใจพยายามทําสวดไปภายในใจท่องพุโทโธไปภายในใจเพราะจะได้ไม่ไปรบกวนชาวบ้านแล้วก็จะได้ไม่ให้คนอื่นเขามาแย่แล้วว่าโอ๊ยขยันสวดเหลือเกินนะอย่างงูอย่างนี้นะ ถ้าเราเดินของเราเงียบๆไปแต่ในใจเราสวดพุดโทโธพุโทโธไปนี่เขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรเขาจะได้ไม่มาแย่เราไม่อานถ้าเราเดินสวดไปนี่เดี๋ยวเขาต้องมาแย่แล้วโอ้ยขยันแล้วเกินถึงนิพพานหรือยังกิเลตตายหรือยังเดี๋ยวสติก็แตกขึ้นมางั้นการปฏิบัตินี้เรามักจะปฏิบัติภายในใจนะไม่ให้คนอื่นเขารู้ วเวลาเดินจงกรมนี่ก็อยากให้คนเขาเห็นเราเดินได้ก็ยิ่งดีเดี๋ยวโดอนแย่หลังปฏิบัตินี่ที่ปฏิบัติแบบคนเดียวนี้เขาจะแยกกันกุเิของแต่ละที่ภาคของแต่ละคนนี้อยู่ห่างไกลกันจะมองไม่เห็นกันว่าคนนี้เดินจงกรมหรือเปล่าคนนี้นั่งสมาธิหรือเปล่านะอันนี้คือขั้นที่หนึ่งต้องมาหยุดความคิดให้ได้ เพราะความคิดของเราตอนนี้มันคิดไปทางกิเลสตัณห า, าคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงคิดแล้ปั๊บก็โลภคิดปั๊บก็โกรธขึ้นมาคิดปั๊บก็วิตกกังวลขึ้นมาเพราะความหลงนั้นหยุดมันด้วยวิธีง่ายๆคือหยุดด้วยสติไปก่อนใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันใช้การสวดมนต์หยุดมันไปก่อนอแล้วพอเราหยุดมันได้ เราอยากจะให้มันนิ่งสงบอย่างเต็มที่เราก็นั่งหลับตาแล้วทีนี้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปหรือท่องพุโทโธพุโทโธไปถ้าร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้วทีนี้จิตก็จะนิ่งได้เต็มที่แล้วจิตก็จะสงบเต็มที่แล้วความสุขอันวิเศษเลิศโลกก็จะโผล่ขึ้นมาชั่วคราวในขณะที่จิตสงบทีนี้เราก็จะเห็นคุณค่าของการปฏิบัตินะ เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราแล้วทีนี้เราพร้อมแนละ้วที่จะไปตัดสิ่งต่างๆที่เรายังติดพันอยู่ได้เพราะตอนนี้เราได้ของที่ดีกว่าถ้าได้รถก็ได้รถคันใหม่เอี่ยมรุ่นใหม่หน่าสุดเราก็พร้อมที่จะไปเอารถคันเก่านี้ขายทิ้งได้นะแต่ถ้าเรายังไม่ได้รถคันใหม่นี้เราก็ยังต้องอาศัยรถคันเก่ า, าก่อนแต่พอเราได้รถคันใหม่เอี่ยมนี่ นุ่นล่าสุดแพงที่สุดเนี่ยเรื่องอะไรเก็บรถเก่าๆไว้ใกรอยากจะได้อาจจะใจดียกให้เขาไปเลยก็ได้เนี่ยพอเราได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วทีนี้เราก็สามารถเอาความสุขนี้มาเป็นเครื่องต่อรองกับความสุขที่เรามีอยู่แต่เป็นความสุขที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะมันเป็นความสุข เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้วันายวันหนึ่งมันจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เวลามันจากถ้าเรายังยึดยังติดยังอาศัยมันอยู่มันจะทำให้เราทุกข์แต่ตอนนี้เราได้ความสุขแบบใหม่แล้วทีนี้เราก็เอาปัญญามาใช้ได้มาสอนใจว่าอย่าไปมีมันดีกว่าความสุขแบบเก่าเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องให้ความทุกข์กับเราเราเอาความสุขที่ เหนือกว่าความสุขแบบเก่าและถาวรกว่าเก่าดีกว่าเราก็เอาความสงบดีกว่าเราก็จะปล่อยวางความสุขแบบเก่าได้พอเราปล่อยวางความสุขแบบเก่าได้ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันก็จะกลายเป็นความสุขแบบถาวรขึ้นมาทันทีเพราะตัวที่มาคอยทำให้ความสุขแบบชั่วคราวนี้หายไปก็คือการที่เรายังไปมี ภาระผูกพันกับความสุขแบบเก่าอยู่นั่นเองพอเราไม่มีภาระผูกพันไม่มีความวุ่นวายใจกับความสุขแบบเก่าแล้วทีนี้ความสุขแบบใหม่ก็จะเป็นความสุขแบบถาวรแบบที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรมาทําให้ใจของเราวุ่นวายต่อไปสิ่งที่มาทําใจให้เราวุ่นวายก็คือความสุขแบบเก่าเนี่ยที่พวกเรามีกันอยู่เนี่ย เดียวก็ต้องวุ่นวายใจกันเพียงแต่ว่าใครมาก่อนมาหลังคิวใครคิวมันตอนนี้บางคนยังมีความสุขกับมันอยู่เดี๋ยววันดีคืนดีก็จะเจอมันเองทุกคนจะต้องเจอกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้าเลิกใช้เลิกเพึ่งความสุขแบบนี้ได้ไป้ามเพึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบได้ต่อไปเราก็จะสงบไปตลอดมีความสุขตลอดเวลาเราจะได้ ได้กลับมาหาทรัพย์ของเราที่มีอยู่กับเรามาตลอดเพียงแต่เราไม่มาพัฒนามันท่านเองมีที่ดินที่มีราคาแต่ปล่อยให้มันเป็นที่ทิ้งขยะเป็นที่ให้ชาวบ้านคือกิเลสตันหาเอมามามาทําให้มันสกรปรกทาให้มันลกหนุนหนังทําให้มันเป็นสลัมขึ้นมาพอเราเริ่มปฏิบัติตามคําสอนล้อมรั่วแล้วก็มาพัฒนาที่ดินจากเออ ระดับต่ำไปสู่ระดับสูงเดี๋ยวในที่สุดเราก็จะพัฒนาให้มันเป็นที่ตั้งของตึกที่สูงที่สุดในโลกก็ได้ถ้าเรามีกำลังพัฒนาเดี๋ยวมันก็พาเราไปเองจิตใจของเราก็เป็นอย่างนี้จิตใจเรามีสิ่งที่มีคุณค่ารอเราอยู่เราต้องมาพัฒนามันโดยการละการกระทำบาปทั้งปวงโดยการทำบุญทากุศลทั้งหลายใหถึงพร้อม ด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญจิตตะภาวนาส ม, มถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาแล้วต่อไปจิตใจของเราก็เป็นจิตที่จะมีความสุขอันล้าค่าเป็นสมบัติที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี่คือเรื่องของจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเราควรที่จะมาพัฒนากัน ก็ขอฝากเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้จะขออนุโมทนายทาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณีโชติอราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิตสะนิจจังวุฒาปจายโน จตารโอธรรมวทาติอายุวัน s u สุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุด เพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรต่างๆจึงไม่เหมาะที่จะตอบคำถามถ้าอยากจะถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้จาก Facebook 558 YouTube 356ทยวิธีออนไลน์7รับฟังบนนี้61 รวม982ท่านค่ะใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งมายไปให้ถ้าไม่ถามก็เอาคำถามทางบ้านคำถามจากคุณไพหลิวมีพระท่านบอกว่าทำทานแล้วไม่ให้หวังผลแห่งทานถึงจะได้รับบุญไม่เข้าใจค่ะ คือการกระทาอะไรมันมีผลในตัวของมันเองไปหวังหรือไม่หวังมันก็ได้ผลของมันไปหวังผลที่มันไม่ได้มันก็ไม่ได้บางคนทำทานแล้วขอหวังนิพพานนี่ก็ไม่ได้เพราะการทำทานไม่ได้ทำให้เราไปนิพพานการทำทานทำให้เราไปสวรรค์กันไปเป็นเทวดากันแต่ต้องทำทานมากกว่าทำบาปทำบุญมากกว่าทำบาป พราะถ้าเราไปทำบาปมากกว่าทำบุญบาปมันก็จะดึงให้เราไปอบายก่อนไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตก่อนเป็นตกนรกก่อนคือของพวกนี้มันมีผลในตัวของมันเหมือนปลูกปลูกมะม่วงไงไม่ต้องไปหวังให้มันออกออกลูกมะม่วงหรอถึงเวลามันก็ออกเองความหมายหมายความว่าอย่างงั้นอย่าไปเสียเวลากับความหวังให้ไปเสียเวลากับการเลี้ยงดูต้นไม้ดีกว่า ปลูกต้นไม้แล้วเราก็พยายามเลี้ยงให้มันโตโตแล้วเดี๋ยวมันก็ออกลูกออกดอกออกผลให้เราเองทำบุญก็เหมือนทำอะไรก็เหมือนกันทำบุญหรือทำบาปมันก็มีดอกมีผลของมันถ้าเราอยากให้มันออกดอกออกผลเราก็พยายามทำมันบ่อยๆทำมันมากๆมันก็จะออกดอกผลมากออกบ่อย เเราต้องรู้ว่าการกระทําแต่ละอย่างมันมีผลอย่างไรเอย่ยเที่พระเจ้าสอนสามให้ปฏิบัติสามอย่างมีผลสามอย่างหนึ่งให้ละการกระทําบาปเนี่ยเพื่อมาให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายกันเพราะการทําบาปจะพาให้เราไปเกิดในอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกกันพอเราไม่ทําบาปผลนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมา แล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ต้องทําบุญทําทานถ้ารักษาศีลอย่างเดียวแต่ไม่ทําบุญเราก็ได้แค่เป็นมนุษย์เท่านั้นเองถ้าอยากจะเป็นเทวดาก็ต้องทําบุญแล้วก็ต้องไม่ทําบาปสองอย่างแล้วถ้าอยากไปเป็นพระอริยะหรือไปสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบก็จะไปสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าอยากจะไปนิพพานไปเป็นพระอริยะบุคคล ก็ต้องปฏิบัติวิปัสสนาแต่มันต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นขั้นๆพาขึ้นไปไม่ใช่อยากจะไปวิปัสสนาอยากไปนิพพานก็วิปัสสนาอย่างเดียวศีลก็ไม่รักษาบุญก็ไม่ทำสมาธิก็ไม่นั่งมันก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือสนับสนุนวิปัสสนาน h ้ต้องมี ทานศีลสมาธิสนับสนุนมันถึงจะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาได้นั้นก็มันเป็นความคิดลอยๆใครๆก็คิดได้อ่านหนังสือก็อ่านได้อ่านแล้วไปถึงนิพพานได้หรอเล่าไม่ได้หรอกว่ามันไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นเหมือนเครื่องยนต์ผลักดันให้มันไปเห็นทุกอย่างต้องศึกษาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสอนชาวพุทธเราว่าต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วปฏิบัติเนี่ย ปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติก็จะตามมาต่อไปคุณแพนด้าถ้าเราไปทำบุญถือศีลและปฏิบัติภาวนาหลังจากทำบุญเสร็จแล้วมีคนมาขอบุญจากเราและเรายกบุญที่ปฏิบัติมาทั้งหมดให้เขาไปหมดเลยอยากทราบว่าบุญที่เราทำมานั้นจะหมดหรือไม่และคนที่เขามาขอจะได้รับบุญเต็มๆ เ, เหมือนที่เราปฏิบัติหรือไม่เจ้าคะ ให้กันไม่ได้หรอกนี่ให้ได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องไปทำบุญไปนั่งขอบุญเป็นขอทาน <c oughs> บุญใครบุญมันใครทำก็ได้ส่วนบุญที่ให้คนตายนี้เป็นเสี้ยวของบุญเท่านั้นบุญที่อุทิศนี้ท่านบอกเป็นเหมือนน้ำที่ติดอยู่ข้างอยู่ในแก้วเวลาที่เราเทน้ำทิ้งไปหมดแล้วมันยังมีเศษน้ำติดอยู่ในแก้วนั่นแหละคือบุญที่เราส่งไปให้คนตายได้ แต่คนเป็นนี่ให้กันไม่ได้ของใครของเหมือนไม่กินข้าวกินแทนกันได้ไหมอา้าฉันกินแทนเธอเอาไหมกินเนี่ยคนขี้เกียจกินไม่เป็นไรเรากินให้เอาไหมเราจะยกความอิ่มนี่ให้กว่าคุณเงี้ยแล้วมันคุณอิ่มไมล่ะไม่อิ่มหรอกคุณต้องกินนบุญก็คือความอิ่มใจเนี่ยถ้าไม่ทําบุญมันจะอิ่มใจได้ยังไงพอทำบุญปับ๊บมันจ ะ, ะเกิดความอิ่มเอิบใจขึ้นมาทันทีอันนี้คือบุญ คุณไอซ์เบอรี่ตอนกลางคืนหนูจะย้อนฟังเทศของพระอาจารย์แล้วนั่งสมาธิสักครู่ค่อยนอนตอนเช้าตื่นขึ้นมาหนูนั่งสมาธิพอสงบคําเทศของพระอาจารย์ที่ฟังเมื่อคืนก็เข้ามาในใจแล้วหนูก็เอาคําสอนของท่านมาพิจารณาต่อจนจบแล้วก็ออกจากสมาธิกราบเรียนถามว่าทําแบบนี้ได้ไหมคะเพราะสมัสมยังไม่คล่องดีคะ่ะก็ได้ พือทาถ้าเรายัางต้องการต้องการความรู้อยู่ก็ใช้เอาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาทบทวนเพื่อทำให้เราเกิดความแตกฉานเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับนะแต่ถ้าถึงขั้นปฏิบัติจริงๆเวลาปฏิบัตินี้เราต้องแยกเป็นช่วงๆไปเป็นคาบไปเหมือนวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนคาบนี้เรียนวิทยาคาบนี้เรียนคณิตเนี่ยคาบนี้เรียนอังกฤษ จะไปเรียนในเวลาเดียวกันไม่ได้ piace. ช่วงที่เราทาสมาธิก็ต้องสมาธิอย่างเดียวอย่าไปวิปัสสนาอย่าไปคิดทางปัญญาช่วงที่เราคิดทางปัญญาก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องสมาธิให้คิดเพื่อให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเพราฉะั้นต้องมีแบ่งคาบกันคาบทำสมาธิก็ต้องให้นิ่งอย่างเดียวไม่ให้คิดพอคันปัญญาก็ให้คิดอย่างเดียวไม่ต้องกังวลกับความสงบ คิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความกระจ่างขึ้นมาในใจที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงะทุกสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีการดับไปมันเห็นแบบกระจ่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นไปหมดร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงร่างกายของคนอื่นก็ไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราก็ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับไปเห็นอย่างกระจ่าง ไม่เห็นกระจางแล้วมันก็ปล่อยวางเ <c oughs> พราะมันรู้ว่าถ้าไปยึดติดแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์ใช่ไหมเวลาที่มันดับไปเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นจนกระทั่งใจสว่างขึ้นมาเห็นอย่างจริงจังแล้วก็ปล่อยวางได้อันนั้นน่ะถึงเรียกว่าปัญญาคุณไอซ์เบอรี่เข้ามาอีกคําถามนะคะหนูไม่เข้าใจว่ามรรคกับนิโรธเชื่อมโยงกันอย่างไรคะมรรคเป็นเหตุแลนิโรธเป็นผลคะ นิโรธก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จากการปฏิบัติมรรคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราอยากจะออกจากคุกเราก็ต้องไปวิ่งเต้นถ้ามีวิ่งเต้นได้ก็ต้องวิ่งเต้นใช่ไหมไปวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือจากผู้มีพระเดชพระคุณขอให้พระราชทาอภัยโทษอย่างนี้การวิ่งเต้นก็เรียกว่ามรรค อวิ่งเต้นสําเร็จก็เกิดผลขึ้นมาเขาก็ปล่อยแล้วออกจากคุกขึ้นมานิโรธก็ปรากฏขึ้นมาพ้นจากคุกพ้นจากทุกข์อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีความทุกข์เราอยากจะพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเจริญมรรคต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวานาพอรเราปฏิบัติทานศีลภาวานาไปครบสมบูรณ์นิโรธก็เกิดขึ้นมาความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจของเราก็หายไปหมด คำว่านี้รถก็หมดเนี่ยดับดับทุกทุกดับเหมือนไฟดับนี่ไฟจะดับได้ยังไงก็ต้องไปปิดสวิสใช่ไหมการปิดสวิสนี่ก็เป็นมรคเป็นกาเป็นเหตุมรคคือเหตุของการดับของความทุกข์ถ้าอยากจะดับไฟก็แวะปิดสวิสไฟก็ดับคุณรมขณะขับรถจเจริญสติบริกรรมพุทโธไปด้วยจะได้ไหมครับ เดี๋ยวก็นชนกันเลยถ้าไปพุโทโธไม่ดูถนนไม่ดูรถเวลาขับรถต้องดูรถ ด, ดูถนนอย่าไปพุโทโธเนอะคุณพิสิทธิ์ขอถามว่าสมถกรรมฐานกับวิวปปสนากรรมฐานต่างกันอย่างไรครับกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมจิตใจมีสองระดับระดับสมถะกับวิปปสนา สมถะก็คือเป็นอารมณ์ที่ทำให้ใจสงบอย่างเดียวเช่นพุโทโธพุโทโธนี่จะทำให้ใจสงบแต่ไม่ทำให้เกิดปัญญาไม่เกิดวิปัสสนาแต่สมะกรรมฐานบางองค์บางแบบนี่เป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาเช่นอาการสาสิบสองของร่างกายนี่ ถ้าเราพิจารณาการ32ของร่างกายผมขนเล็ฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเนี่ยไล่ไปให้ครบ32อาการก็เหมือนกับการสวดมนต์ถ้าท่องชื่อมันก็เหมือนกับการสวดมนต์มันก็จะทําให้ใจหยุดคิดได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้ถ้าเราเอามาพิจารณามาดูอาการต่างๆว่าผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไง หนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นอย่างไรรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรก็จะเห็นปัญญาเห็นความจริงของร่างกายว่าโอ้ยร่างกายเราไม่มีเพียงแค่ห้าอาการเท่านั้นนะส่วนใหญ่เราจะเห็นแค่ห้าอาการเห็นแต่ผมขนเลบฟันหนังทงนั้นเองแต่ใต้ผิวหนังไม่เห็นแล้วใต้ผิวหนังนี่มีอะไรเยอะแยะของดีอยู่ในร่างกายเราเยอะแยะไปหมดจะว่าดีแล้วไม่ดีก็ไม่รู้แหละเห็นแล้วก็มักจะไม่เอากันทั้งนั้น พอเห็นเนื้อเห็นเห็นกระดูกเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นหัวใจเห็นลาไส้ใครจะสวยจะหล่อยังไงก็ไม่เอาละพอเห็นตับไตไส้พุงของเขาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาที่จะตัดกามารมณ์ได้เรารักใครหลงใครชอบใครนี่พอไปเห็นตับไตไส้พุงของเขาความรักความชอบมันหายไปหมดอันนี้เป็นวิปัสสนา นั้กรรมฐานบางองค์นี้เป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นทั้งวิปัสสนาเป็นทั้งสมถะบางองค์ก็เป็นสมถะอย่างเดียวเช่นพุทธโธนธรรมโมสังโฆแต่ถ้าระเลิกมรณานุสติคิดถึงความตายนี่เป็นสองอย่างความตายนี่เป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเยความตายก็คือความไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมา คุณนรมนเมื่อเห็นร่างกายเวทนาอารมณ์ขันทั้งห้าและจิตเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นว่าเป็นทุกข์อริยสัจสี่เห็นตามความจริงไม่รู้เท่าทันความอยากตัณหาไม่รู้เท่าทันความอยากและตัณหาถูกต้องไหมคะถ้ารู้จริงมันก็บรรู้เป็นผ้าหันเนหมือนก็ไม่มีความโลภกดหลงไม่มีตัณหาความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจ คุณบุญมาจำเป็นหรือเปล่าคะที่เราจะต้องนั่งขัดสมาธิหนึ่งชั้นหรือต้องนั่งขัดสมาธิสองชั้นโยมถนับทั้งสองอย่างเจ้าค่ะแบบไหนถูกต้องคะก็เหมือนเวลาเราเล่นกีฬาเขาก็มีวิธีจับไม้ใช่ไหมดีกอล์ฟเขาก็มีวิธีจับไม้ตีแบดเขาก็มีวิธีจับไม้ดีเทนนิสเขาก็มีวิธีจับมีวิธีเหวี่ยง ถามว่าจําเป็นไหมอา้าถ้าคุณต้องการได้ผลดีมันก็จําเป็นแต่ถ้าคุณไม่ต้องการผลคุณอยากจะเล่นแบบสบายๆคุณก็จะจับยังไงก็ได้เหวี่ยงยังไงก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นแบบมือสมัครเล่นเล่นไปเพื่อความเพลิดเพลินไม่ได้หวังผลอะไรจากการเล่นมากแต่ถ้าคุณต้องการหวังผลเพื่อที่จะไปแข่งขันได้รับรางวัลคุณก็ต้องเล่นตาม ที่เขาสอนเขามีแบบฉบับของการขอการกระทํำถ้าคุณต้องการนั่งสมาธิเพื่อเอาเอาชัยเนี่ยคนก็ต้องนั่งตามแบบฉบับเนี่ยก็มีนั่งขัดสมาด้ขวาทับซ้ายเนี่ยด้วยซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายเนี่ยนั่งขัดสมาตั้งตัวให้ตรงอันนี้เป็นท่าที่นั่งแล้วจะนั่งได้นานแล้วมันเป็นหน้าที่มัน มันเสถียรเนี่ยมันไม่ถ้านั่งบนเก้าอี้นั่งบนขาบเตียงเดี๋ยวมันอาจจะเอ็นโน้มลงไปได้แต่ถ้านั่งแบบขัดสมาธินี้มันจะไม่ล้มเนี่ยงั้นถ้าต้องการปฏิบัติแบบมืออาชีพนี้เขาก็จะนั่งขัดสมาธิกันแต่ถ้าเบื้องต้นยังทำไม่ได้ก็นั่งนั่งห้อยเท้าไปก่อนก็ได้นั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้แต่ควรจะหัดพยายามนั่งไปฝืนใหม่ๆเส้นสายมันไม่เคย มันจะรู้สึกแข็งรู้สึกตึงรู้สึกยากแต่ถ้าเราต้องการเป็นมืออาชีพเราก็ต้องยอมอดทนต้องสู้กับความยากลำบากของทางร่างกายร่างกายต่อไปก็ดัดมันได้ดัดมันหั ด, หดทําไปเรื่อยๆต่อไปก็ทําได้คุณพรประพัฒได้ยินจากคลิปว่าถ้าสวดมนต์บทยอดพระกันไตรปิฎก แล้วจะไม่รวยจะทําให้เราละและสละทุกสิ่งเข้ามาสู่ทางธรรมทําทให้สละทุกอย่างจนหมดตัวมามุ่งทางธรรมลูกได้ยินมาแบบนี้แต่ลูกไม่ค่อยเชื่อคิดว่าจะจนจะรวยอยู่ที่ตัวเราขยันทำมาหากินมากกว่าลูกคิดถูกไหมคะถูกแล้วล่ะการสวมดมนต์นี้เพื่อทําใจให้สงบเท่นั้นเองสวดบทไหนก็ได้ทําใจให้สงบแต่ถ้ามันสงบจริงๆมันก็ไม่อยากจะรวยแล้วล่ะมันอยากจะ บวชมากกว่าเพราะมันดีกว่าไงความสุขที่ได้จากความสงบมันดีกว่าความสุขจากการร่ำรวยคุณรัต t h วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอนัตตามีความหมายอย่างไรคะคำว่าวิญญาณ น, นี้ก็คือตัวที่รับรู้รูปเสียงกดลิ่นรสจากตาหูจมูกกลิ้งกายมันเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหินห้อยพอมีรูปมากระทบกับตา เช่นพอเราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็เห็นภาพเวลาหลับมันก็ภาพก็หายไปวิญญาณที่รับภาพก็หายไปตามกับภาพที่หายไปพอภาพมาวิญญาณที่รับมันก็มันก็รับภาพนั้นส่งไปให้ใจผู้รู้อีกทีนึงมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนแต่เราไปคิดว่าเราเห็นภาพาจริงๆไม่มีเราเห็นหรอกมันมีวิญญาณเป็นผู้เห็นเป็นผู้รับภาพมาจากตา แล้วส่งมาให้ใจคือเราผู้รู้นี่เท่านั้นเองมันเป็นเหมือนกับเครื่องมือชนิดหนึ่งเหมือนกับเนสายที่เราเสียบกับเครื่องมือถือเนี่ยเวลาเราอยากจะฟังหูฟังเราก็ใชส้สายเสียบเข้าไปที่มือถือวิญญาณก็เป็นเหมือนสายเสียบนี่เองมันไม่มีตัวมีตนมันเป็นผู้ที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วส่งมาให้กับใจผู้รู้ให้รู้ว่า ตอนนี้มีรูปมาแล้วนะมีเสียงมาแล้วนะมีกลิ่นมาแล้วนะท่านนั่นเองแล้วพอรูปนั้นหายไปมันก็หยุดทํางานไปยามีรูปใหม่โผล่มามันก็รับรูปใหม่เข้ามาใหม่มันก็เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา <c oughs> คุณไผ่หลิวขายลอตเตอรี่ผิดศีลไหมคะไม่ผิดี่ยไม่ผิดกฎหมายอะไรก็ขายกระดาษเนี่ยผิดตรงไหนขายกระดาษขายเครื่องเขียนก็ไม่ผิดใช่ไหม ขายกระดาษขายดินสอนี่ก็ขายกระดาษที่มีตัวเลขปั๊มเข้าไปนั้นเองก็เป็นการขายสินค้าชนิดหนึ่งสินค้าที่ให้ผลกับผู้ซื้อถ้าผู้ซื้อซื้อถูกเลขเขาก็ได้รางวัลท่านนั่นเองไม่ผิดหรอกมันไม่ผิดศีลแต่มันอาจจะเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมคนให้ขี้เกียจทำงานทำมาหากิน ห, หากินแบบ แบบเสี่ยงโชคซึ่งมันบางทีก็ส่วนใหญ่มันมักจะแจ้งมากกว่ากําไรเป็นการทํามาค้าขายแบบคนโง่ทํากันมาเศรษฐีก็ไม่ทํากันหรอกถามเศรษฐีดูซื้อหวยหรือเปล่าซื้อตะลี่หรืเอเปล่าซื้อไปทำไ ม, เ, ไมเขาซื้อไปซื้อที่ดินมาพัฒนาเป็นตึกเป็นอาคารไม่ดีกว่างั้นมันเป็นเรื่องของของคนโง่กันการหาเงินแบบคนโง่ซึ่งส่วนใหญ่ก็แจ้งกัน มีคนไม่กี่คนที่โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นเองรางวัลที่หนึ่งมันถูกแค่คนเดียวเอกคนต้องกี่ล้านคนไม่ถูกเ <c oughs> นี่ยงั้นมันเขาทางศาสนาจึงไม่ส่งเสริมให้ทำอาชีพแบบนี้ไม่ให้หากินแบบนี้เพราะว่ามันมันจะทำให้ล่มจมมากกว่าทาให้เจริญ น, นั่นเองคุณสุปชัยเปิดร้านขายเหล้าเบียร์บาปไหมครับก็ไม่บาป เแต่ว่าไปส่งเสริมให้คนกินเหล้าให้มึนเมาแล้วก็ไปทุบตีลูกเมียหรือทุบตีสามีหรือไปขับรถชนกันตายอันนี้มันก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรที่จะทากันทั้งกรบวนการเลยขายก็ไม่ดีผลิตก็ไม่ดีให้ไม่มีมันจะดีกว่าไม่มีสุราจะดีกว่าโลกจะได้ไม่มีเหตุที่จะมาทำให้คนมึนเมาแล้วมาสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ไ <c oughs> คุณวันวิมลจากออสเตรเลียนะคะจะทําอย่างไรจะผ่านการนั่งสมาธิเบื้องต้นได้อย่างสงบและรวดเร็วยิ่งขึ้นคะก็ต้องขยันพุโทโธตั้งแต่ตื่นจนหลับเนาะถ้าไม่มีพุโทโธไม่มีสตินั่งยัางไงาก็ไม่มีวันสงบเนี่ยสิ่งที่เราขาดกันก็คือสติถ้าเป็นรถยนต์ก็ไม่มีกุญแจรถเนะ่ยไม่มีกุญแจรถก็ต้องเข็นรถเยเข็นไปเื่๋ยมันจะไปไหมนะ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธิแบบไม่มีสติก็เหมือนกับนั่งขับรถไม่มีกุญแจรถไม่มีกุญแจรถก็ต้องเข็นนรถเข็นไปรถมันจะวิ่งหรือเปล่าถ้าเขาใส่เบรกไว้มันก็วิ่งไปไหนไม่ได้นั่งสมาธิแบบไม่มีสติควบคุมความคิดไม่ได้นั่งไปยังไงก็ไม่มีวันสงบอย่างต้องควบคุมความคิดก่อนที่จะมานั่งต้องใช้พุทโธควบคุมความคิดท่องพุทโธไปทั้งวันน่ะแล้วเดี๋ยวเวลานั่งมันก็จะสงบได้ <c oughs> คุณโดกระแสจิตชอบส่งออกไปทางชั่วควรระงับและดับมันอย่างไรดีครับพอใช้สติเนี่ยใช้สติสติเป็นตัวเบรคกระแสความคิดเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปพอคิดจะไปขโมยข้าวของเงินทองก็พุทโธพุทโธไปพออยู่กับพุทโธความคิดที่จะไปข้าวของขโมยข้าวของเงินทองมันก็ต้องหยุดไปหมดแล้วเหรอโอเคนะอืม